ซึ่งนอนอยู่กุฏิชั้นล่างต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่รับแขกแต่ดึกแต่ดื่นที่สำคัญคือคอยจดจำว่าใครมาก่อนมาหลังจะได้ไม่มีการลัดคิวกันแขกบางคนก็นั่งตักน้ำค้างรอคิวตั้งแต่กุฏิยังไม่เปิดต้องทนยุ่งทนหนาวเพราะอยากเข้าพบท่านก่อนข้างฝ่ายนายสมชายก็เป็นคนยุติธรรม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 วันไหนไม่มีผู้อุทิศมาให้ก็ต้องทุกขทรมานเพราะความหิวโหวยแต่เปรตชนเหล่านี้ก็ยังดีกว่าพวกสัตว์นรกเพราะพวกหลังนี้นอกจากจะอดอยากหิวโหวยแล้วยังถูกลงโทษทันด้วยวิธีการต่างๆตามกรรมที่เขาได้ทำมาอีกด้วยเสร็จจากโปรดผีเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง ก็เดินกลับมายังกุฏิเพื่อโปรดคนต่อพระบูเหียวเดินตามมาสังเกตการเช่นทุกครั้งด้วยเป็นความประสงค์ของท่านพระครูที่ต้องการให้พระใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเมื่อนั่งที่อาสนะประจำของท่านแล้วนายสมชายจึงบอกให้ชายวัยหกสเศษคลานเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะได้ไม่พูดข้ามศีรษะผู้อื่น บุรุษนั้นคลานเข้าไปในระยะหัตถบาทกราบสามครั้งแล้วนิ่งอยู่มีเรื่องอะไรว่าไปเลยโยมท่านกล่าวอนุญาตกรับหลวงพอ่อผมมานั่งรอตั้งแต่ตีสองนั่งอยู่นอกกุฏิผมชื่อบุญช่วยครับเข้ารายงานเหมือนจะประกาศว่าไม่ได้แสงคิวใคร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 ท่านถามเมื่อบุรุษนั้นไม่ยอมพูดต่อเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเมียพ่อบุรุษผู้มีนามว่าบุญช่วยตอบซื่อๆแต่ทุกคนที่นั่งฟังอยู่พากันคิดว่าเขาแกล้งพูดถ่วงเวลาคนอื่นอ๋อที่มานั่งรอตั้งแต่ตีสองก็พื่จะมาบอกแค่นี้เองหรือมีอีกกลับลงพ่อยังมีอีก นายบุญช่วยรีบบอกเพราะกลัวถูกตัดคิวคือแม่ผมแกกลัวตายครับลงพ่ออายุเท่าไรละ่ะผมเลยครับห5ห้าครับไม่ใช่อาตมาหมายถึงโยมแม่ต่างหากแม่8ปห้าครับลงพ่อช่วยแกหน่อยเถอะครับแกไม่อยากตายรบเร้าให้ผมมาขอคาถาลงพ่อแกว่า ลงพ่อมีคาถากันตายลูกยอดกระตันอยู่รายงานอ๋อเรื่องแค่นี้เองนึกว่าจะมาเรื่องอะไรไม่ยากหรอกโยมเรื่องง่ายๆเดี๋ยวอาตมาจะบอกคาถาให้ผู้ที่นั่งณนะที่นั้นพลอยตื่นเต้นไปด้วยต่างพากันเงี้ยหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ กลับไปบอกแม่นะโยมนะคาถากันตายมีอยู่สองข้อคือหนึ่งหายใจเข้าไว้ 2. กินข้าวเข้าไว้ปฏิบัติได้สองข้อนี้รับรองว่าไม่ตายที่เขาตตยตายกันเพราะไม่ยอมหายใจไม่ยอมกินข้าว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 ยังมีเคล็ดลับอีกอาตมาจะบอกให้คือเราต้องไม่กลัวตายต้องกล้าเผชิญกับมันคนที่กลัวตายอาตมาเห็นตายทุกรายถ้าไม่กลัวแล้วไม่ตายใช่ไหมคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งเอ่ยถามกลัวหรือไม่กลัวมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละ แต่เท่าที่อาตมาสังเกตดูคนที่กลัวตายมักตายเร็วคนไม่กลัวจะตายช้าฉะนั้นจงอย่า ก, กลัวตายแต่จงมีสติรู้เท่าทัานชีวิตว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เราก็จะทำดีพูดดีคิดดีทำได้อย่างนี้เราก็จะไม่กลัวตายเพราะเรารู้ว่าจะไม่ไปทุคติคนที่เขากลัวตายก็เพราะกลัวจะไปไม่ดีเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น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 เขาเอาไปพูดอีกอย่างแล้วอ้างว่าท่านพูดทำให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปยกใหญ่เหตุนี้ท่านจึงต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจนเข้าใจว่าหายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้แล้วจะไม่ตายส่วนเคล็ดลับก็คือต้องไม่กลัวตายถ้ากลัวแล้วจะตายไม่กลัวก็ไม่ตายหลุงพ่อให้ผมไปบอกแม่อย่างนี้ครับ บุรุษสูงวัตอบตามระดับสติปัญญาของตนเครื่องรับในตัวเขารับได้เท่านี้อ๋ออาตมาพูดว่ายังงั้นหรือโยมแน่ใจนะแน่ใจครับเขายืนยันงั้นก็ให้พระบัวเหี่ยวเป็นพยานก็นแล้วกันพระบัวเหี่ยวผมพูดอย่างที่โยมคนนี้บอกหรือเปล่า ต่อหน้าคนอื่นที่ไม่คุ้นเคยกันท่านจะเรียกพระบวทใหม่ว่าพระบูเหียวและแทนตัวท่านว่าผมไม่ใช่ครับลุงพ่อพูดว่ายางนี้พระบูเหียวอธิบายจนบุรุษนั้นเข้าใจถูกต้องเป็นอันดีท่านพระครูจึงอนุญาตให้เขากลับไปได้ต่อจากนั้นก็เป็นรอบของสตรีวัห้าสิบหลวงพ่อจะฉันอยากตาย เป็นประโยคแรกที่นางเอื้อนเอ่ยอยากตายหรือเงนกดตามโยมผู้ชายคนเมื่อกี้ไปสิตามไปทำไมจ๊ะถามงงๆเอาก็จะได้ไปหาแม่เขาน่ะสิไปแลกกันซะจะได้หมดเรื่องเมื่อแม่เขาไม่อยากตายส่วนโยมอยากตายก็ควรจะแลกกันเสีย จะได้สมใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไงละ่ะแม้ลุงพ่อถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีนะสินางว่าก็ทำไมจะไม่ดีเล่าอาตมาถึงได้แนะนำไงลุงพ่อเจริญไม่เคยแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีท่านใช้มุกตลกเพื่อให้บรรดาผู้แบกทุกข์ทั้งหลายได้ผ่อนคลายแต่ฉันอยากตาย โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับใครยิงนั้นยืนกรานอยากตายแน่หรือคราวนี้ท่านถามจริงจังจะงั้นก็เชิญตายได้ตามสบายวัดนี้มีพร้อมทั้งเมนเผาศกทั้งพระสวดมาติกาทานไม่มีก็ไม่เป็นไรประเดียวให้สมชายไปสั่งที่ตลาดก็ได้ ว่าแต่ว่าโยมจะเอาโลงแบบไหนเอาไม้ช้ำชา้าหรือไม้จำปาเห็นท่าทางท่านเอาจริงเอาจังอย่งนั้นก็ใจฝ่ออยากจะเปลี่ยนใจแต่ก็อายคนอื่นจึงฝืนตอบไปว่าแล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตาเถอดจะ้ะไม้อะไรก็ได้แล้วแต่อาตมาไม่ได้สิก็อาตมา ไม่ได้เป็นคนตายนี่งั้นลงจำปาก็ได้จ้าจตรีวัยห้าสิบตอบเสียงเบาลงทุกทีเหงื่อการแตกซิกๆิเพราะกลัวตายเอาละสมชายมานี่สิช่วยไปนิมนต์พระให้สิบรูปสำหรับสวดมาติกาแล้วไปสั่งทานที่ตลาดให้ห้ากระสอบ ท่านหันมามองหญิงนั้นแล้วพูดว่าพร้อมพร้ อ, อย่างโยมห้ากระสอบก็ไม่หมดไม่มีเหลือคนแบกทุก์มีท่าทางลังเลพูดเสียงอ่อยๆว่าลุงพ่อท่านกลัวร้อนเอาถ่านมาเผาฉันฉันก็ร้อนแย่น่ะสิอ้าวก็ในเมื่อโยมตายก็ต้องเผา จะให้ปล่อยเม้นคลุ้งอยู่ในวัดได้ยังไงงั้นฉันไม่ตายก็ได้นางถือโอกาสเปลี่ยนใจเอาให้แน่ๆจะตายหรือไม่ตายอาตมาจะได้จัดการให้ตามความประสงค์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาตมาก็ทำอะไรไม่ถูกนะสิหญิงนั้นคิดว่าท่านดุ จึงร้องไห้โฮออกมารำพึงรำพันว่าฉันกลุ้มใจจะหลวงพ่อฉันอยากตายแต่ก็ไม่อยากตายนางพี่รัาพี่ไร่ราพันทุกคนณที่นั้นพากันสมเพศเรื่องของคนอื่นดูเช่งน่าสมเพศหลงลืมไปว่าบางทีเรื่องของตัวเองนั้นน่าสมเพศซะยิ่งกว่าตั้งสติให้ดีๆ โยมหยุดร้องไห้เสียแล้วเล่าไปว่าโยมกลุ้มใจเรื่องอะไรถ้าเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอาตมาจะรู้ได้ยังไงนั่นแหละนางจึงหยุดร้องไห้ใช้มือปาดน้ําตาและเช็ดมือกับผ้านุง่งจากนั้นจึงเริ่มต้นเล่าถึงเหตุแห่งความทุกโศกต่างๆจับใจความได้ว่า สามีลักลอบได้เสียกับคนใช้ในบ้านเมื่อนางไล่คนใช้ออกสามีก็ไปเช่าฟลัตอยู่กับคนใช้ไม่ยอมกลับบ้านอีกเลยหลวงพ่อคะทำไมผู้ผู้ชายถึงชอบยุ่งกับคนใช้คะสตรีอายุประมาณส0สถามขึ้นหล่อนก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันท่านพระครูเห็นเข้าเขาจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่า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 เรียกเสียงโหเราะจากทุกคนในที่นั้นรวมทั้งคนถามด้วยแต่หลวงพ่อน่าจะตอบได้เพราะหลวลงพ่อเป็นผู้ชายคนถามไม่ยอมแพ้หนูตอบเองค่ะหนึ่งในสี่ที่สามีมีเมียน้อยเป็นคนใช้ขันอาสาสี่งที่ตอบเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเคืองเพราะคนพวกนี้รสยมต่ำชอบของต่ำ ชอบกินของเน่าเหม็นจิตใจสกปรกต่ำซามหลอนหันไปทางผู้ผู้ชายล้อมรัวป้องกันตัวเองเสร็จสรบพด้วยการกล่าวว่าขอโทษบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ณที่นี้ด้วยนะคะถ้าท่านไม่ได้เอาคนใช้ทำเมียก็อย่าได้ร้อนตัวมนุษย์เพศชายก็เลยต้องนั่งนิ่งทั้งที่ใจอยากจะฉีกเนื้อหญิงปากกล้าคนนั้นลุงพ่อคะสามีหนูชอบดูรูปโป๊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 แล้วหนูไปค้นจนเจอนะสตรีนั้นยิ้มแย่ๆเพราะจริงดังที่ท่านว่าแบบนี้เป็นโรคจิตหรือเปล่าคะอายุก็มากแล้วยังจะสับ ป, ประดนต่อหน้าคนอื่นทำเป็นอ่านหนังสือธรรมะสะสมหนังสือธรรมะไว้เต็มตู้แต่หลังฉากแอบอ่านหนังสือโปะสะสมรูปโปะแถมเอาไว้บนหัวนอนอีกด้วยแบบนี้ต้องเป็นโรคจิตใช่ไหมคะ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 หล่อนได้เก็บภาพและหนังสือลามกเหล่านั้นเผาเป็นจุนไปแล้วไม่ต้องการเก็บไว้ให้เป็นอัปมงคลแก่บ้านเรือนเอาละฟังทางนี้วิธีแก้ปัญหาเรื่องสามีนอกใจหรือภรรยานอกใจนั้นไม่ยากอะไรเลยปลัดเดียวอาตมาจะบอกวิธีให้ แต่ต้องทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเคยมีคุณหญิงคนหนึ่งมาขอให้อาตมาช่วยแบบเดียวกันนี้อาตมาก็แนะแนวทางให้เขาก็ไม่ยอมทำตามเลยไม่สำเร็จ แล้วคนที่ทำตามจะสำเร็จทุกคนไหมคะสำเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อาตมาวิจัยมาแล้วน่าเสียดายที่คุณหญิงเขาไม่เชื่ออาตมาอุตสาดัานด้นมาหาพอบอกให้กลับไม่ทำตามสามีเขาเป็นรัฐมนตรีแต่ไปหลงรักคนใช้ถึงกับ ปลูกบ้านปลูกช่องให้อยู่คุณหญิงก็เอาแต่ด่าสามีเลยไปอยู่กับคนใช้เส้นเลยเวลาคนเขาจะมาติดต่อราชการเขาก็ไปหาที่บ้านคนใช้คุณหญิงก็โกรธใหญ่นี่มานั่งด่าตรงนี้ท่านชี้ไปที่สตรีวัยห้าสิบนั่งอยู่ด่าใครคะ ด่ารัฐมนตรีกับคนใช้แล้วคนถูกด่าเขาได้ยินไหมคะจะได้ยินอะไรโน่นเขาอยู่กรุงเทพกันโนดคนที่ได้ยินก็คืออาตมาแม้เขาด่าชอ็อตชอใครไม่รู้ก็นึกว่าด่าอาตมาท่านพูดแล้วก็หัวเราะเหื อ, หอ งั้นหลวงพ่อบอกวิธีแก้ปัญหาเธอคะ่ะหนูจะได้นำไปปฏิบัติสตรีวัยสามสิบเร่งเรา้าวิธีง่ายง่ายคืออย่าไปกโกรธห้ามกโกรธห้ามผูกพยาบาทแต่ให้แผ่เมตตาให้เขาทั้งสองคนขอให้เขาครองรักครองสุข ก, กันอย่างราบรื่นอย่าไปด่าไปแช่งเป็นอันขาด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 ค่ะถ้าอย่างนั้นนิมนต์หลวงพ่อพูดต่อเธอคะ่ะก่อนแผเมตตาก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เสก่อดให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณพาหุง ม, มหากา่างละจบหลังจากนั้นจึงสวดพุทธคุณอย่างเดียวสวดเท่าอายุบวกหนึ่ง เช่นโยมอายุส0ก็สวดส1อ็ดรอบงั้นฉันก็ต้องสวดถึงห1เอ็ดรอบสิจ้าสตรีวัยห้าพูดขึ้นก็ไม่อยากอะไรนี่โยมใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแลวนานไหมคะถึงจะได้ผลคนอายุส0ถามอีกเท่าที่อาตมาบันทึกไว้อย่างเร็ว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 กลับแช่งให้เขาประสบความพินาศจิบหายแต่หลังๆเขากดทำได้รายนี้สเดือนถึงสำเร็จเมื่อท่านบอกวิธีการแก้ปัญหาจบลงปรากฏว่ามีผู้กราบแล้วคลานออกไป8รายเป็นสตรีหปุรุษสองหลวงพ่อครับแม่อินูหนีไปอีกแล้วครับ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 ก็ไม่ได้แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่ายคงให้ความเมตตาช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของพวกเขาอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งที่บางปัญหาดูไร้าสาระในสายตาของพระบุเหีียวหนีอีกแล้วหรือโยมไปทำอะไรเขาละ่ะท่านแกล้งถามเห็นหนอรายงานว่าชายผู้นี้เมาเหล้าแล้วอาลวาดเตะเมียจนตกบ้าน ก็ลงไม้ลงมือไปนิดหน่อยเองครับตอบไม่ตรงนะักครั้นจะโกหกก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าท่านตรวจสอบได้เห็นข่าว่าท่านตาทิพย์อ๋อขนาดเตะตกบ้านนั่นนิดหน่อยหรือถ้ามีคนเข้ามาเตะโยมตกบ้านมันนิดหน่อยหรือเปล่าล่ะผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อเขาก้มหน้าสารภาพ โยมพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วก่อนทำทำไมถึงไม่คิดวันก่อนก็เอาซ่อมเควยงใส่หน้าเขาใช่ไหมละ่ะชายนั้นก้มหน้านิ่งไม่ยอมตอบท่านพระครูจึงถือโอกาสสั่งสอนอีกว่าถ้าวันนั้นเขาหลบไม่ทันรับรองตาบอดอยากมีเมียตาบอดใช่ไหม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 เขาจะกลับตั้งเดือนเชียวหรือครับใช่แต่หมายความว่าโยมต้องเลิกเหล่าได้นะก็เลือกเอาแล้วกันว่าเล่ากับเมียจะเลือกใครบุรุษนั้น ท, ทําท่าลังเลใจหนึ่งอยากเลือกเล่าอีกใจก็อยากเลือกเมียเพราะขี้เกียจเลี้ยงลูกแต่ผู้เดียวมีลูกตั้งห้าคน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 ครับหลวงพ่อผมจะจำไปจนตายเลยผมกลับลาละครับ